อัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปย่าแห่งปัญหาที่โตเถยะยมนบก ร, ราบทูลถามในข้อแรกนั้นว่าบุคคลใดละตัณหาได้แล้วละกามทั้งหลายได้แล้วตัณหาของบุคคลใดไม่มี บุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมคขของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรแลวท่านถามในช่วงต่อไปว่าบุคคลนั้นยังมีความหวังอยู่หรือว่าไม่มีความหวังแล้วมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มตัณหาจิติข้าแต่ กขอพระองค์ได้โปรดบอกมุนีผู้นัน้นทำอย่างไรข้าพระองค์จึงได้รู้จักกับมุนีผู้นัน้นจากคำถามทั้งสองตอนเป็นการเชี่เห็นถึงพื้นฐานในด้านจิตใ จ, จความรู้เรื่องโลกของท่านผู้ถามเป็นอย่างดีว่าด้ผ่านการศึกษาการฝึกปลือการอบรม การพัฒนาจิตใจมาอยู่ในชั้นสูงมากคำถามจึงมุ่งไปที่จุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติซึ่งในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็คืออรหัตธรรกนั่นเองแต่ดังได้กล่าวมาอยู่เสมอว่ารักธรรมะในทางพระพุทธศาสนามีแนวเป็นบันได ที่จริงในเชิงของการประพฤติธปฏิบัติแล้วบุคคลก็ปฏิบัติในเรื่องเดียวกันคือลากความชั่วประพฤติความดีหรือลาบบาปทั้งปวงทำกุศลทั้งปวงแต่ปัญหาวระละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรกุศลเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรจิตใจสะอาดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้เชิงจุดมุ่งหมายแล้วก็มุ่งไปในแนวเดียวกัน ดังนั้นในเรื่องของความหวังหรือไม่มีความหวังเรื่องของความหวังนั้นแสดงอาการของจิตที่ยังมีกิเลสประเภทต่างๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของความหวังเป็นเรื่องของกิเลสสายโลภะหรือราคะบุคคลเราจนถึงกับมีคำพูดว่าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความหวัง ดังนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วความหวังจึงเป็นเป้าประสงค์อย่างหนึ่งของชีวิตแม้ในขั้นตอนของการปรบพฤติปฏิบัติที่สูงขึ้นไปโดยลำดับก็ตามบุคคลก็ต้องมีความหวังเราคอยอยู่ข้างหน้าแต่เนื่องจากความหวังเป็นกินเลสความหวังจึงมีลักษณะเหมือนเรืออาศัยคํามฟากหรือเหมือนยานพาหนะที่อาศัยส่งถึงจุดหมายปลายทาง แล้วเมื่อบุคคลถึงฝั่งก็ต้องทิ้งเรือจึงจะขึ้นฝั่งได้ดังนั้นราณเทระจึงได้กล่าวไว้ว่าบุคคลอาศัยตันหาเพื่อละตันหาซึ่งหมายความว่าช่วงหนึ่งเราก็ต้องอิงอาศัยเรื่องเหล่านี้แต่ช่วงหนึ่งก็ต้องละไปทํานองเดียวกับบันไดที่มีอยู่หลายขั้นแล้วต้องอาศัยขั้นที่หนึ่ง ล้วก็ละขั้นที่หนึ่งเขึ้นเพื่อขึ้นขั้นที่สองอจจขั้นที่สองก็ต้องทิ้งขั้นที่สองเพื่อขึ้นขั้นที่สแต่ในช่วงแรกก็ต้องอาศัยไปโดยลำดับอย่างนี้เตืมงความหวังโดยตัวทั่วไปถ้าเรามองในแนวสรุปเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของสัตว์กับสังขารหรือพบในจึงพบมันก็เป็นสังขารประการหนึ่งแต่ถ้ามองในแนวสรุป มันก็มองแนววิปัสสนาที่มันแสดงว่าแต่แก่ความหวังในสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือมองโลกโดยสรุปทั้งหมดก็เหลือเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็กระจายให้เห็นว่าสัตว์โลกของเรานั้นจะมีลักษณะไขว้ควา้าปรารถนามุ่งหวังในสิ่งที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ก็เริ่มต้นมาจากความหวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในสัมผัสที่ประณีตถึงใจคนปรารถนาว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจแล้วก็มุ่งหวังเพื่อจะได้มาสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี้เองก็กระจายตัวเองออกไปในรูปลักษณะต่างๆเป็นความหวังในโลกธรรมส่วนที่น่าปรารถนาคือลาภยศสัเสริญสุข เมื่อมุ่งมา่ปราถนาสิ่งเหล่านั้นก็มีการสแสวงหาไขว้พระทีนดนต่อสู้กระเสือกสนกันโดยวิธีการต่างๆแต่เพราะเป็นแรงดันของกิเลสและการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้จึงมีความสับสนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยได้มาในชอบทางชอบทมบ้างไม่ชอบทมบ้างได้มาแล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้บ้างไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้บ้าง อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงผู้ไม่ฉลาดได้ทรัพย์ไม่สามารถใช้ทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบางครั้งทรงจําแนกแสดงเป็นรายละเอียดเอาไว้เป็นอันมากในอังคุตนากายทรงจําแนกประเภทของบุคคลที่หาทรัพยบบุคคลบางคนนั้นหาทรัพย์มาด้วย ความผุนผันคือสรุปว่าไม่ถูกต้องตามตอนองครองธรรมหาได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองไม่เลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขอีกพวกหนึ่งเป็นพื้นจิตใจที่มีความอยากหวังรุนแรงทําความผิดรุนแรงอีกพวกหนึ่งนั้นแสวงหาทรัพย์ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมแต่ก็เลี้ยงตนเองให้เป็นสุข ในขณะเดียวกันก็ไม่เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขจงบางครั้งคนที่สแสวงหาทรัพย์สมบัติมาก็หาความสุขสนองตอบความต้องการของตอนเองด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าลูกมีที่บ้านจะอยู่อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือไม่สนใจอีกพวกหนึ่งหากินมาในทางที่ชอบทมที่ไม่ชอบทำเหมือนกันต่เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขคือการได้มานั้นไม่ถูก แต่ว่าใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บำเพ็ญความดีอะไรอีกชั้นหนึ่งหากินมาในทางที่ไม่ชอบทำเหมือนกันจึงดูตัวเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขและบำเพ็ญบุญคือใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปบำเพ็ญบุญนี่แสดงว่ามีถึงสี่ชั้นในการสแสวงหาทรัพย์โดยเฉพาะที่เริ่มต้นในทางไม่ชอบทำ ในกรณีของการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบทำก็ทรงจับแนกว่ายเป็นสี่ชั้นเหมือนกันขั้นแรกหาทางหาได้มาในทางที่ชอบทำจริงแต่ก็ไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ทําบุญอะไรก็ดีเฉพาะตอนหาแต่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรในชั้นที่สองเลี้ยงหากินมาในทางที่ชอบทำก็เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ทําบุญ ขั้นที่สามเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขแต่ไม่ได้ทําบุญขั้นที่สี่เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขและได้ทําบุญด้วยคือว่าได้ประโยชน์จากทรัพย์ทั้งที่ช่วงของการสแสวงหาช่วงของการบริโภคใช้สอยช่วงของการสร้างเป็นสเสบียงเพื่อเลี้ยงตนเองในสัมปราระพบภาย พ, าาพนะักหนา มันมองจากพระพุทธเจ้ามองในแง่ของการสแสวงหาทรัพย์จึงทรงจําแนกคนในโลกไว้เป็นแปดประเภทดังกล่าวแล้วเป็นรายละเอียดที่นั่งวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่ในยุคในสมัยนั้นในยุคในสมัยไหนก็ตามก็จะมีลักษณะเป็น8ปดประเภทอย่างนี้ในการสแสวงหาทรัพย์ทาการสแสวงหานั้นก็มุ่งไปสู่ความหวังเหมือนกันแต่ในการสแสวงหานั้นอาจจะแสวงหาในทางที่ชอบรรมหรือไม่ชอบทำก็ได้ การแสวงหายศคือฐานันอนฐานะตำแหน่งความจริงใหญ่ต่างๆก็มีลักษณะเช่นนั้นอาจจะได้มาในลักษณะที่ฝนหลังฟ้าคือมีเหตุปัจจัยฝนตกก็ตกลงมาอาจจะได้มาในลักษณะสร้างฝนเทียมขึ้นมาก็ได้ก็ได้มาในทางสุจริตก็ได้ได้มาแนทางทุจริตก็ได้ในความสรรเสริญก็เหมือนกัน ดูแล้วคล้ๆกับว่าความสรนเสริญนั้นจะได้มาในทางที่ชอบครับแต่เราก็จะพบว่าในแง่ของความจริงแล้วความสรนเสริญนั้นบางทีอาศัยหน้ามาเอาก็มีคือไปช่วยยกจ้องเชิดชูตนเองเพื่อลาภผลสากสาระอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นให้คล้อยตามเห็นตามไปคนนั้นก็ได้รับความสรนเสริญ ในในขณะเดียวกันคนก็ประรัความดีในแต่และชั้นของคนเหล่านั้นซึ่งบางครั้งอาจจะคิดว่าดีเพราะเห็นรูปร่างที่ปรากฏทนั้นบางครั้งก็ยอมรับว่าดีเพราะได้ยินเขาพูดเท่านั้นบางครั้งยอมรับว่าดีเพราะหาบทสรุปต่างๆเข้ามาสรุปว่าเขาดีแต่บางครั้งมีการยกจ้องสรรเสริญโดยดูที่กรรมหรือการกระทำของเขาซึ่งเป็น การเวนไดใช้ชั้นสูงในแง่ของสังคมความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะจะได้มาในทางที่ชอบทมหรือไม่ชอบทำก็ได้แล้วถ้ากระจายออกไปเรื่อยๆจนเป็นความหวังที่จะได้สิ่งของสึปรีณีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัจจัยสี่เรื่องอาหารเรื่องเครื่องน ong คมเรื่องที่อยู่เรื่องยาแก้ไขแล้วก็ความหวังที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นที่สืบเนื่องต่อไปตามลักษณะของ จิตประเภทนี้หรือจิตประเภทที่เป็นโลภะนั้นจะเพิ่มอยู่เรื่อยแต่จิตที่เป็นโทสะนั้นจะทำลายอยู่เรื่อยไปนั่นคือลักษณะก็จะตรงกันข้ามอยู่ตลอดพี่พระเจ้าทรงแสดงอาการของตัณหาว่าโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องไปไเรื่อยเราความรู้สึกในประเภทความหวังมากก็เป็นแนวนั้นคือจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย แต่กิเลสประเภทโทสะนั้นจะทำลายไปเรื่อยๆแต่โกรธพ่อนะอาจจะโกรธสามีเสร็จแล้วก็โกรธพัญญาแล้วก็โกรธลูกแล้วโกรธญาติพี่น้องของบุคคลเหล่านั้นโกรธสกุลคนเหล่านั้นโกรธจังหวัดคนเหล่านั้นโกรธจนถึงก็เป็นประเทศชาติบางคนเรานั้นนี่ลักษณะทำลายคือทำลายไปเรื่อยๆแต่โลภานั้นจะคว้ามาเรื่อยๆเพิ่มขก็เรื่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ มันมีแนวตรงกันข้ามดังนั้นการหาความเข้าใจการมองการวิเคราะห์สภาพจิตหรือว่าลักษณะอาการที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมแล้วคือเห็นด้วยตาได้แล้วได้ยินด้วยหูได้แล้วมันก็มองได้ง่ายว่าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสายโลภะหรือเกิดมาจากสายโทสะถ้าเกิดมาจากสายโทสะก็พินาศ แ, แตกทําลายไปหมดแต่นี้เป็นเรื่องของโลภะในขณะเดียวกันความหวังเหล่านั้น จากการศึกษาแล้วเรียนมาจะทําให้บุคคลมองเห็นพบชาติทิพย์นิยมขึ้นไปจะปรารถนาพบชาติทิพย์นิยมขึ้นไปโดยดําดักเช่นการทาบุญทำกุศลแล้วก็มุ่งอธิษฐานเพื่อให้เกิดมาพบกันเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันเป็นครูบาอาจารย์การเป็นต้นก็แสดงว่าหวังเป็นาการของความหวังปรารถนาพบจะเป็นสังขารพบ คือปรุงแต่งให้เกิดความหวังมุ่งมั่นปรารถนาสถานะเหล่านั้นด้วยความเป็นเหล่านั้นแล้ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลได้ศึกษาแล้วเรียนทราบความสุขความสงบความตระณีความน่าเพลิดเพลินยินดีในกามาสุขทั้งหลายคือในชั้นกามาวจรภูมิทั้งหลายก็ปรารถนาความสุขสมบัติในสวรรค์ชั้นเหล่านั้น ซึ่งว่าที่จริงถ้าขึ้นเดินไปขนาดนี้ในแง่ของสังสารวัตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะมีปัญหาในชั้นสูงสุดเท่านั้นเองแม้แต่คนระดับพระรยาบุคคลเช่นพระเจ้าพิมพิสารท่านก็มีความปรารถนาในภพท่านเป็นพระโสดาบันแล้วยังปรารถนาในภพที่ท่านเคยเกิดมาตามปกติแล้วพระโสดาบันนั้นจะเลือกภพชาติเอาเองได้ คล้ๆคนมีเงินมากๆแกเลือกพักที่ไหนจะเลือกไปยานภาณะอะไรก็ได้คนมีบุญมากผมก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่โบสจะเลือกแทนที่ท่านจะเลือกไปพบทติปนิธิไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงๆถ้าไปเลือกเอาชั้นจาตุมารักอุบัติบังเกิดแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะข้าพระองค์เกิดเกิดแล้วก็ต า, ตายตายแล้วก็เกิดอยู่ที่นั่น ถึงเจ็ดชั้นต่อเนื่องกันทำให้จิตใจของพระองค์งมีความพอใจมีความติดใจในสถานที่เหล่านั้นซึ่งลักษณะติดเหล่านี้เราไม่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปมองไกลขนาดนั้นก็ได้เช่นว่าคนติดบ้านติดห้องนอนติดหมอนติดตที่นอนติดเครื่องใช้อะไรต่างๆมันจะมีลักษณะเป็นความติดเมื่อจากไปก็อาลัยเสียดาย ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นจนบางครั้งคนแก่ในที่บางแห่งอายุแปดเก้าสิบแล้วลูกหลานจะขอย้ายไปท่านติดดินตรงที่นอนของท่างกันไปไม่ได้ลูกหลานมันรู้จะทํายังไงต้องขุดเอาดินนั้นไปด้วยเพื่ออยู่ใต้ที่นอนของทาง่านนี่คืออาการติดของจิตอาการคว้าของจิตแล้วก็จิตเพราลักษณะของจิตนั้นให้ลองสังเกตว่าในสายของปฏิจจสมุปาฏิต้านหามันคู่กับอุปาทาน เมื่อคือเมื่อเราได้สุขเวทนาเราก็เกิดการาตัญหาในเรื่องหลันั้นพอได้แล้วมันก็เกิดยึดยึดแล้ก็ต้องการให้อยู่มันก็กลายเป็นพบอยู่เรื่อยไปหมุนวนก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ตายเรื่อยไปปรารถนาพบชาติที่ประณีจนกลายเป็นปรารถนาในพรหมโลกสูงสุดและแม้แต่ปรารถนาอุบังอุบัติบังเกิดในระดับชั้นสุดท้าวา่าซึ่งเป็นที่อยู่ของปรน า, าคามีด้วยความหวังที่จะ อุบัติบังเกิดในภพที่มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ก็ยังถือว่าเป็นพวกที่มีความหวังแต่นั้นเองต่อจะถามว่าใครที่ไม่มีวมหวังมีอยู่พวกเดียวแต่นั้นคือพระอระหันต์เพราะในแง่ของสังสารวัฏที่ท่านแบ่งสัตว์โลกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็เรียกว่าปูตากับปูตะกับสัมภเวสี ภูตานั่นคือพะอระอรหันต์สำเพอสีแปลว่าผู้สแสวงหาพบเดิมทีเดียวสมัยโบราณมีการอธิบายกันว่าคนเราพอตายไปแล้วเราจะต้องสแสวงหาที่เกิดจะมีการถามว่าไปเกิดแล้วหรื อ, อยังไปเกิดที่ไหนไปเกิดอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรบางทีก็บอกว่าตายไปนานแล้วยังไม่ได้ไปเกิดแต่กลับมาบอกเขาได้ก็แสดงว่าเกิดแล้ว ถ้าไม่เกิดมันก็บอกไม่ได้มันพูดไม่ได้เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วสามประเวศีนั้นลงมาจากพระอนาคามีมาถึงชีวิตทุกประเภทจะเป็นขันธ์ห้าเช่นคนเช่นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นขันธ์หนึ่งเช่นรูปประพรมหรือพรมรูปฟักจะเป็นขันธ์สี่เช่นพวกอรูปประพรมทั้งหลายหรือแม้แต่พระอนาคามีที่จริงแล้วก็มีขันธ์ห้าเหมือนกัน ก็อยู่ในกลุ่มของสัมเวสีคือผู้สแสวงหาพบคือยังมีภาวะตันหาอยู่ยังต้องมาเกิดในพวกอยู่ดังนั้นพวกเหล่านี้ก็ยังมีความหวังความพระนาคามีซึ่งไปจ่ออยู่ที่จะเป็นพระหรันแล้วก็หวังที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปดังนั้นในชั้นของความหวังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสดแสดงสําหรับธรรมะสาหรับคนระดับนี้ เพื่อจะให้สมหวังมากขึ้นแล้วก็ผิดหวังน้อยลงและการสนองต่อความหวังต้องตอนนั้นก็ให้ควบคุมการได้มาในทางที่ชอบธรรมวังรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่วพะซึ่งเป็นกามคุณลทั้งห้าประการก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีๆแต่ว่าทำอย่างไงจะไปปรุงรูปข้างนอกเสียงข้างนอกกลิ่นข้างนอกรสข้างนอกสัมผัสข้างนอก บันทีก็ปรุงลำบากเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเองเพราะนพระเจ้าก็ให้มาแก้ที่ใจตัวเองคืออย่าปล่อยให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงโมวเมาในอารมณ์เหล่า น, นั้นมากเกินไปใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจนาในแง่ของความหวังนั้นคนก็หวังไว้สูงทั้งนั้นแต่ถ้าคนสมหวังทุกอย่าง มันก็ไม่ใช่โลกและเพราะในโลกมนุษย์หรือว่าในสัตว์โลกเองสัตว์โลกทั้งหลายเดี๋ยวสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังปัญหาจะสมหวังมากสมหวังน้อยผิดหวังมากผิดหวังน้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครสมหวังด้วยประการทั้งปวงพอตาสมหวังได้ทุกคนก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายเท่านั้นเดี๋ยวนี้คนก็เต็มโลกหมดนะ ตัวเาก็เป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะเหยียบกันตายหมดแล้วเหมือนกนันั้นการที่โลกเป็นเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาประการหนึ่งเมื่อเราเข้าเกี่ยวข้องกับบุคคลกับอารมณ์กับสังขารที่อยู่ในสภาพธรรมดาในขณะที่ตั้งความหวังก็สอนให้เตยมรับความจริงคือความไม่สมบังหรือความไม่เต็มตามความปรารถนา ข้อนี้ลองสังเกตว่าแม้ในคาถาอนโมทนาที่ท่านเรียกว่ายถ า, าวารีวหาซึ่งให้ญาติโยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการเวลาทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นที่ท่านบอกว่าอิชิตังปฏิตังตุมังขิปเมวะสมิจเจตุก็แปลเป็นใจความว่าความปรารถนา่ความต้องกความหวังความปรารถนาความต้องการของท่าน จงสำเร็จบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพนคือเต็มเหมือนพระจันทร์วันเพนหรือเหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสนั้นเราว่ากันว่าแก้วมณีชื่อว่าโชติรสนั้นคล้ายๆกับเป็นแก้วสารพัดนึกคือต้องการอะไรแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาได้แต่ในขณะที่พระจันทร์วันเพนพระจันทร์ก็เพนอยู่วันเดียวแต่นันเอง ประจันมีวา้ามีแหวงมีมากมีน้อยอยู่ลักษณะของความหวังคนมันก็เป็นเช่นนั้นพราะฉนันรพรุทเจ้าจึงทรงสอนให้ยอมรับความจริงหลายชั้นในชั้นแรกเมื่อตั้งความหวังอะไรเอาไว้ก็เพียรพยายามให้เต็มตามสติกำมังของตนเพื่อได้สิ่งที่ตนหวังแต่บนบนเส้นทางของความเพียรพยายามนั้นให้ใช้ สติปัญญาความเพียรควบคุมทิศทางในการสแสวงหาเอาไว้อย่าออกไปนอกรูนนอกทางเพราะนั้นสติสัมปชัญญะความเพียรจึงใช้ในทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าจะใช้เฉเพาะเจะเริญกรรมาฐานเท่านั้นแต่การมุ่งตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ตนหวังเรื่องอะไรก็าตามต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่ตลอดนั้นคือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเมื่อได้มาแล้ว ถ้าเต็มตามที่ตนหวังก็อย่าประมาทมวัวเมาให้รู้จักระมัดระวังรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้พร้อมกับเตรียมกายเตรียมใจเผชิญหน้าความจริงจากสิ่งที่ตนหวังนั่นคือการพลัดพราจากกาันระหว่างเรากับสิ่งกับคนกับสังขารเหล่านั้นถึงจะไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไป เมื่อสิ่งเหล่านั้นพราดพลากไปก็ทำใจได้สงบใจได้สิ่งจะต้องพราดพรากเป็นธรรมดาได้พราดพลากไปแล้วแม้จะกัดกลุ่มรล่าร้อนวิตกกังวลเดือดร้อนอะไรมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันในช่วงของการแสวงหานั้นเองในช่วงของการตั้งความหวังนั่นเองก็ต้องมีเหตุผลมีทิศทางมีความเป็นไปได้อย่างที่พระผู้มีรพระเจ้าทรงยกยัน ถึงความหวังที่ไม่มีทิศทางไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรยกตัวอย่างมาชายหนุ่มคนหนึ่งมีความเร่าร้อนต้องการปรารถนาที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงคนหนึ่งพอถามไปทํามมาเจ้าหญิงนั้นชื่ออะไรลูกเต้าหรอใครอยู่เมืองไหนรูปร่างหน้าตายอย่างไรเป็นต้นไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นการสมควรที่จะตายเปล่าเพราะว่าไม่รู้อะไร การตั้งความหวังก็ต้องสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ในตัวของมันเองอย่างที่ทรงยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไอทุกขะตะบุรุษคนหนึ่งปรารถนาราชสมบัติเป็นความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้หรือบุคคลไม่มีพวกเลยปรารถนาความเป็นใหญ่โตไม่มีพวกไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรปรารถนาความใหญ่โตมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่ลองสังเกตว่าคนเรามักจะหวังในเรื่องที่มีโอกาสจะสมหวังได้น้อยเพราะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นสลากการเล่นแชร์การเสี่ยงต่างๆจึงเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะบุคคลมุ่งไปสู่ความหวังในลักษณะที่ลุ่มๆแรงๆไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ พระ้าหาวว่าคนเราได้คิดเพียงนิดเดียวแต่นั้นเอง ว, ว่ามวยมันต่อยกันสองคนยังมีคนแพ้สิ้นเนื้อประดาตัวไอสละกินแบงไม่รู้มีสกี่ประตูเรื่องอะไรที่คนจะถูกกันได้ง่ายๆหรือแม้แต่หวยเบอร์หรือแม้แต่แช่อะไรก็มีลักษาอย่างนั้นเพราะลักษณะของความหวังถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโลภะที่ปิดบังสติปัญญ า, าถ้าหวังมากแล้วพุ่งไปหามากแล้วมันจะปิดบังสติปัญญา ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกิเลสเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากเ่นบอกว่าโลโพธรรมนังปริปันโถความโลบเป็นอันตรายต้องามทั้งหลายคือถ้าพอรอบแล้วก็หน้ามืดจะไม่มีเหตุจะไม่มีผลอะไรคงจะเอาให้ได้ท่ายเดียวแล้วบางทีก็ทรงยกตัวอย่างว่าสักการโรกาปริสังหันติสักการะย่อมฆ่าคนชั่วชด สักการะที่จริมันก็ได้มาด้วยความโลภแต่เพราะเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำดังนั้นที่สุดก็ใช้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเองคือโลกกระทำเหล่านั้นเองลาบยศเสนสุขเหล่านั้นเองมาทำลายตัวเองเป็นลักษณะของความเจริญเติบโตของกอกล้วยออกลูกขึ้นมาตัวเองก็ตายจะเจริญเติบโตของขุยไผ่ เราคุ้ยปายหมดปลายก็ปายก็ถูกตัดนี่เป็นตัวอย่างที่ทรงชี้รูปธรรมในสมัยนั้ น, นเพราะจะพบว่าในชั้นของโลกแล้วประเภทสัมภเวสีทั้งหลายก็ต้องมีความหวังอยู่และก็สําคัญว่าในบนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความหวังนั้นจะต้องมองทังความเป็นไปได้นั้นประการหนึ่งและจะต้องมีความสมเหตุสมผลประการหนึ่ง แการแสบแหานั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบทางในขณะเดียใจเด๋ยวกันต้องเตรียมใจว่าไอ้บุคคลจะได้สมตามความหวังทุกอย่างไม่ได้เพราะเป็นลักษณะของปากกินนการทุกที่ทรงสแสดงเอาไว้ว่าต้องการสิ่งอะไรไม่ได้สิ่งนั้นมาตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์เพราะความหวังเองก็เป็นทุกข์ประกรนันถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตนพอใจ ในสิ่งที่ตนอยากได้ก็ต้องทําใจให้พอใจให้ยินดีในสิ่งที่ได้มาแล้วก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะจะโม้ข่อยคว้าอยู่เรื่อยไปก็จะเป็นลักษณะของคนพานที่ทงแสดงว่าคนพานจะข่อยคว้าภาระที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทําในขณะนั้นไม่ทำไปอยากทําในเรื่องที่ยังไม่มี เรื่องมีแล้วไม่ทำนั่นก็คือลักษณะของใจที่เป็นผ่านไปการสายหาไปข้างนอกอยู่ตลอดไปทีนี้เมื่อได้ครอบครองสิ่งที่ตนหวังจะมากหรือน้อยก็ตามก็พยายามใช้ประโยชน์แต่ประการที่สำคัญต้องเตรียมใจยอมรับเอาไว้ถึงความพลากจากความสูญเสียต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นตามแนวของนบินิฎกปจิเวทกระหนังนั่นเอง แลในขณะเดียวกันในชั้นของอครบชาติประนิตพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงที่เรียกว่าสัขะกถาคือแนวของอนุบุพีกทถาจะ แ, แสดงให้ดูให้เพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้ถึงความจริงว่าบรรดากามาสุกทั้งหลายนั้นจะเป็นทิพย์จะเป็นของมนุษย์จะมีความประนิต ย, ยังไงก็ต่าล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยทุกข์ เพื่อบุคคลได้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปโดยลำดับลักษณะที่ว่าก้าวบันไดแล้วไม่ไปยืนอยู่ในบันไดจุดใดจุดหนึ่งก็เดินขึ้นไปได้ด้วยๆบนเส้นทางนี้ก็คือหลักการดำารงชีวิตตามแนวของสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมันตะสัมมาชีวะโดยมีความเห็นชอบความนิดชอบในระดับหนึ่งเป็นเครื่องควบคุมการดาเนินชีวิตของตน ซึ่งถ้าหากว่าสัมผัสธรรมะเหล่านี้ได้ผลคือความสุขความส ง, งบก็จะเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การพืชปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืกต่อไป